งานสมกุญิงแม่ผ่านพ้นไปได้ดยดีเป็นงานสบที่จัดอย่างสมเกียรติละเกินได้รับรัชทานเพลิงศพตามยถาวรรพสักแ<ค>ขกหรือมาร่วมงานหนาตามากภาพเหล่านั้นยังติดอยู่ในความทรงจำไม่เสื่อมคลายเราไม่นึกเลยว่ า, าการเข้ามาพึ่งพาบารมีของท่านพลตำรวจเอกชัยพี่ชัยรณรงค์งงกับคุญิงแม่จะได้รับความรักและความเอ็นดูจากกุญิงแม่มากมายขนาดนี้ แม่คุณหญิงแม่จากเราไปแล้วท่านก็ยังทําพินัยกรรมยกทรัพย์สินในส่วนหนึ่งให้เราก็เป็นทุนการศึกษาและเป็นทุนเพื่อประกอบการ ใ, ในในอนาคตเรารู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาของคุณหญิงแม่เหลือเกินเป็นที่ฝันมาก่อนเลย ว, ว่าคำภาวนาขอพรพระเจ้าในวันนั้นว่าที่เราถูกพวพี่ๆโยนลงบ่อ น, น้ำแล้วก็เจอมูแผแม่เบีย้ยแล้วเราก็ตั้งสติภาวนาขอให้พระเจ้า ส่งคุ้มครองลูกด้วยคำภาวนาที่หลุดออกจากปากเราในครั้งนั้นจะทําให้พระเจ้าทรงเมตตาและโดนบันดาลให้เราพบกับสิ่งดีๆในวันนี้วันนี้ที่มีได้ส่วนหนึ่งเกิดจากความดีของตัวเราเหมือนกันเราเป็นคนดีเป็นลูกหลานที่ดีของคุณหญิงแม่กับท่านอ่อนน้อมถ่อมตนเราทําทุกอย่างที่เราทําได้ไม่งอเมืองอเท้าเห็นอะไรที่พอทําได้ก็จะไม่รีรอ เข้าไปช่วยทันทีท่านก็ยิ่งเมตตามากขึ้นและส่วนหนึ่งนั้นก็เกิดจากพระเจ้าทรงเห็นความดีของเราแล้วก็ดลจิตดลใจให้ผู้มีบารมีสูงกว่าได้ยื่นมือมาช่วยเราขอบคุณพระเจ้าเรื่องความโศกเศร้าเสียใจที่ผ่านไปแล้วเราเรียนเทอมสุดท้ายแล้วจบปัญญาตรีแล้วที่ต้องเรียนต่อให้ได้เรียนให้สูง เพื่อวันหนึ่งจะได้เอาวิชาความรู้กลับไปพัฒนาดานิสารบ้านเกิดเมืองนอนของเราแล้วมาถึงตอนนั้นผู้พี่ๆก็คง<ว>จะไม่โกรธแค้นเราแล้วล่ะและตอนนี้<ล>เรายังรู้สึกหวั่นใจยอยู่เพราะคาพูดของผู้พี่ๆที่สั่งเอาไว้ว่าถ้าเรากลับไปจะฆ่าเราให้ตายนั่นเองคิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงเยนน้องรักลอเกินอดทนรออีกหน่อย เราให้สัญญาตต้องกลับไปเหยียบแผ่นดินเกิดที่ดานิสานที่ได้แล้วเราจะเป็นคนเลี้ยงดูพ่อแม่เองพเราสัญญาต่อพระเจ้าเราจะไม่มีวันทอดทิ้งบุพการีเด็ขาดขอให้พระเจ้าทรงไว้พระยาด้วยเถิด ไได้ไหมคะยินดีครับอ๋อผมจําคุณได้แล้วเราเคยเจอกันเมื่อเทอมที่แล้วตอนนั้นผมกำลังสอบฮะแล้วคุณล่ะกำลังสอบเหมือนกันใช่ไหมคุณหมายถึงตอนนั้นใช่ไหมคะใช่ครับตอนนั้นจันสอบเสร็จแล้วล่วคะค่ะแต่ที่มามหาวิทยาลัยเพราะว่ามีกิจกรรมบางอย่างที่ยังต้องทําต่อเนื่องอยู่<อ>ก็เลยต้องมาคะ่ะอ๋อครับตั้งแต่วันนั้นแล้วฉันก็พยายามมาหาคุณนะนะแต่ว่าก็ไม่เจอคุณสักทีผมยุ่งะฮะ เจอในครั้งนั้นคุณหญิงแม่ผมก็ป่วยหนักแล้วในหลังไม่นานท่านก็จากผมไปไม่มีวันตลบไปอีกแล้วฮะเสียใจด้วยนะคะแม่แท้ๆหรอคะออขอโทษนะคะที่ละลับละลวงในเรื่องส่วนตัวของคุณนะคะไม่เป็นไรหรอกครับคุยกันได้ฮ ะ, ะท่านเป็นผู้มีพระคุณสำหรับผมมากเหลือเกินถึงจะไม่ใช่สายเลือดเดียวกันแต่ผมให้ความเคารพท่านเหมือนกับแม่แท้ๆผมเลยครับอ๋อค่ะ ยังไงกข็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะที่คุณต้องสูญเสียผู้มีพระคุณไปนะคะขอบคุณครับนั่งก่อนสิฮะมันไม่มีมานั่งอะน ะ, ะนั่งบนยา ก, ก น, นะครับค่ะ ข, ขอบคุณค่ะ จะถามคุณแล้วก็อยากให้คุณเนี่ยช่วยพูดความจริงด้วยจะได้ไหมคะพระเจ้าทรงสอในให้พูดแต่ความจริงเท่านั้นคุณนับถือาศาสนาคริสต์ด้วยอาครับผมเข้าโรงเรียนคริสต์ตั้งแต่ชั้นอนุบาลแล้วหรอกครับอืมใช่แล้วใช่ใช่อะไรเหรฮะพี่ยิ่งไงพี่ยิ่งใช่ไหมคะคุณก็คือน้ำฝนไงคะพี่พี่ยิ่งจําฝนได้ไหมฝนที่เดินไปโรงเรียนด้วยกันไง น้าฝนกล้กระถางกุหลาบหินที่พี่ยิ่งด้วยแล้วพี่ยิ่งก็มีสิ่งนี้มาให้ฝนฝนเอามห้พี่ยิ่งดูด้วยเป็นหลักฐานนี่ไงไม่แกะสลักนกคี่รูบูนใช่พี่ยิ่งจําได้ไหมที่บอกว่าพ่อของพี่ยิ่งลุงยอดไงเป็นคนแกะสลักนกคี่รูปูนเองอน้าฝนเธอจริงจริงเหรอค่ะพี่ยิ่งดีใช่ละเคิรนนะ ได้เจอเธอที่มหาวิทยาลัยฝนก็ดีใจมากค่ะแล้วฝนมั่นใจได้ยังไงว่าพี่คือพี่ยิ่งคนนั้นหน้าตาของพี่จะเหมือนเดิมหรืองไงไม่เลยหน้าตาพี่ยิ่งเปลี่ยนไปเป็นคนละคนการแต่งตัวของพี่ยิ่งเหมือนลูกท่านหลานเธอซสมากกว่าเออขนาดนั้นเลยเหรอจริงๆริงนะพี่ยิ่งถามใครใครก็ต้องพูดเหมือนฝนนั่นแหละขอบใจที่เห็นอย่างนั้นแต่พี่ไม่ภูมิใจนักหรอนะทําไมล่ะเพราะว่า พี่ยกลับไปเป็นตัวตนจริงๆขงตัวเองอยากกลับไปในกระพืชเดิมมันไม่อัดอดีหมายความว่าที่อยู่ทุกวันเนี้มันอึดอัดมากเหรอก็ไม่อึดอัดมากนะแต่ต้องวางตัวเป็นผู้ดียู่ตลอดเวลาออฝนเข้าใจแล้วล่ะ พ, พ่อแม่พี่เป็นไงบ้างอ่ะฝนได้ไปหาพ่อแม่พี่หรือเปล่าฮะลุงยอดสายตาไม่ค่อยดีแล้วเห็นบอกว่าตาฟ้าฟาง มองเห็นอะไรลางๆเหมือนคนแก่จริงเหรอฝนจริงค่ะโทพ่ อ, อแล้วแล้วแม่พี่ละ่ะส่วนป้าทองสบายแกตายไปนานแล้วล่วคะค่ะแม่พี่ตายแล้วเหรอฝนเป็นความจริงเหรอเนี่ยแม่พี่ตายไปแล้วจริงๆเหรอค่ะป้าแกตายไปแล้วจริงๆแม่ ยิ่งเสียใจที่ไม่มีโอกาสได้กลับไปทดแทนพระคุณแม่เลยยิ่งขอโทษครับแม่ยิ่งเสียใจจริงๆครับพี่ิงคุณกำลังติดตามรับฟังละครวิทยุรักอภัยนำเสนอโดยเนชั่นเอนเตอร์เทนเมนต์ แต่วันนี้มีอีกคนเข้ามาชีวิตก็เหมือนจะเปลี่ยนไปเน็บนาวนั้นหายไปอบอุ่นใจก็เพราะเธอเธอคือคนที่ฉันต้องการ ทำทุกอย่าง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 ให้ได้รู้สิ่งที่คนหามาเน่นนานที่ฉันต้องการนั้นรออยู่ที่ใดซิ่ซึ่เพืพื่พลำพังนั่งยื่ที่ตรงนี้รอคอยไม่รู้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 ดูบ้างให้ได้รู้สิ่งที่คนหามานานที่ฉันต้องการนั้นรออยู่ที่ใด ทำให้ใจมีความหวังอยู่ที่ไหนหความรักช่เข้ามาัหัวใจของฉันด้ให้ได้รู้สิ่งที่คหามา น, า น, าน ที่ฉันต้องการนั้นรออยู่ที่ใให้รู้สิ่งที่คนหามานาน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 เียใจไปเลยค่ะป้าก็จากไปนานแล้วคงจะไปเกิดเป็นอะไรสักอย่างแล้วล่ะก็พี่เสียใจนี่นาะเสียใจตอนนี้มันจะมีประโยชน์อะไรละ่ะคะก่อนหน้านี้ทำไมพี่ยิ่งถึงไม่ยอมกลับไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่บ้างเลยนึกว่าพี่ไม่อยากกลับไปนั่งไงก็ทำไมละ่ะอูดอไม่ได้ไกลอะไรนักหนาเลยนี่พี่มีเหตุผลของพี่นะแลวบอกได้หรือเปล่าละ่ะหรือว่าเป็นความลับบอกใครไม่ได้ มาไม่ใช่งานนะฝนถ้าอย่างนั้นก็บอกมาสิคะทาไมพี่ยิ่งถึงไม่ยอมกลับไปบ้านทาั้งทั้งที่ลุงกับป้ารักพี่ยิ่งเหลือเกินพี่รู้ไหมป้าก็ตายเพราะอะไรเพราะตรอมใจอ่ะรู้ไหมโอ่แม่อ่ะพี่ว่ามาสิพี่ยิ่งดีเห็นผลอะไรกันแน่ฟังให้ดีนะพี่จะเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฝนรู้เดี๋ยวนี้ล่ะ เรื่องรักมีอยู่เท่า น, นี้ละฝนถูกม่น่าเลยพี่ยิ่งเจนี่เข้าใจพี่หรือยังละ่ะฮะเข้าใจแล้วแต่ว่าตอนเนี้พี่พี่พวกนั้นเปลี่ยนไปเยอะแล้วนะที่เคยเกเรก็ไม่เป็นแล้วละ่ะจริงเหรอเปลี่ยนไปแล้วจริงๆเหรอฝนจริงคะ่ะมันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยมันเป็นไปแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าพวกเขาอายุมากขึ้นละมัง้งแล้วก็แต่ละคนเนี้ก็เข้าวัยกลางคนเข้าไปแล้ว จะทำตัวเกเรเหมือนเด็กวัยรุ่นได้ยังไงล่ะจริงมะ ม, มันก็จริงของเธอ น, น่ฝนอืหาทางกลับไปบ้านนะพี่พี่รับปากนะพี่จะไปพี่รับปริญญาแล้วพี่จะกลับไปหาพ่อทันทีพี่ยิ่งรับปากเลยนะคะออืพี่รับปากจะดีใจจังเลยมีนึกไม่ฝันเลยว่าเนื้ชาติเนี้ยคิดเหมือนกันว่าเราคงจะไม่มีโอกาสได้เจอกันอีกแล้วพี่ก็เหมือนกันทาน่านฝน พีคิดนอยู่ตลอดเวลาเลยจริงหรือเปล่าคะจริงสิเ อ, อเธอไม่เชื่อที่พี่พูดนะไงฝนเชื่อก็ได้คะ่ะอ๋อแล้วเย็นละ่ะเย็นน้องชายพี่เป็นไงมั่งก็ต่อเป็นผู้ใหญ่แล้วละ่ะอ๋อได้เรียนหนังสือหรือเปล่าอ่ะเย็นเน่ยเรียนหนังสือไม่เก่งเรียนจบแค่ปหกก็ไม่ได้เรียนต่อแล้วละ่ะว้าเสียดายจังเลยจะไปโทษเย็นเข้ามันก็คงไม่ได้หรอกนะพี่ทําไมละ่ะเพราะว่ารอบข้างมีแต่ตัวอย่างที่ไม่ดี ตัวอย่างดีๆอย่างพี่ยิ่งก็ไม่อยู่เสีแล้วเย็นเนี่ยก็เคยฝันอะไรไว้ก็เลยกลายเป็นฝันสลายไปอะคะ่ะโอ้น่าเลยเย็นน้องพี่ เค้กด้านนี้ถูกป่าจะไม่ฝนอะไรยดีนะคะจะชอบกินเค้กหรือเปล่าเมื่อก่อนเนี่ยชอบมากแต่ตอนหลังเนี่ยต้องระวังหุ่นตัวเองกลัวใส่เสื้อผ้าที่มีอยู่ไม่ได้ต้องซื้อชุด น, นักศึกษาใหม่ไม่ไหวดูไม่ดีด้วยก็เลยงดขนมโดยเฉพาะเค้กนะคะก็กำลังกายเอาสิก็พยายามอยู่เหมือนกันแต่พี่ว่าเธอไม่ได้อ้วนเลยหุ่นเธอสวยมากๆชุระหน้าตาเธอก็สวยดีด้วยนะเนี่ยนะ ไปประกวดนางงามได้สบายสบายอะเผลอๆติดหนึ่งในห้ า, าด้วยน่าจะบอกให้ไม่ไหวมั้งเอ้าไม่เคยมีเพื่อนอยูหรือไงอ่ะก็มีเหมือนกันน่ะแล้วไงอ่ะไม่กล้าเหรอก็มุ่งมั่นแล้วนะพี่ว่าจะลองสมัครดูได้ไม่ได้ไม่ว่ากันเดี๋ยวว่าพอไปถึงที่แล้วกลับกลัวซะอย่างนั้นแหละเห็นคนอื่นเขาหุ่นดีมากเสื้ทรงดีจริงๆนะพี่ ขอฝนบางส่วนยังไม่ได้มาตรฐานนะือไม่ลองแล้วจะรู้ได้ไงตัวเองแพ้เขาไม่ไหวแล้วพี่ยิ่งล่ะออกกาลังกายทุกวันสินะก็ตีเทนนิสกับเพื่อนมั่งเข้าฟิตเนสมั่งตามแต่โอกาสอ่ะแล้วก็เวลางพักพวกว่ามันแมชกันหรือเปล่าอยากไปกับพี่ยิ่งจังเลยเอาสิเข้าฟิตเนสกับพี่ก็ได้เขาสมาชิกไม่แพงเท่าไหร่อะอยู่ไหนคะนั่นไงไหนซอยนอหนอะ่ะก็จะบากซอยไปแค่ยีเมตรถึงจะได้เหรอ ไม่รู้เรื่องไงอืมไม่รู้นะเนี่ยนี่ขนาดฝนพักอยู่ในหอภักสตรีของมหาวิทยาลัยแท้ๆยังไม่รู้เรื่องเลยแล้วพี่ยิ่งอ่ะรู้ได้ยังไงอ่เนี่ยเพื่อนๆเขเคยไปใช้บริการแล้วบอกต่อๆกันมาเธอไม่มีเพื่อนเข้าฟิตเนสเลยก็เลยไม่รู้่นะคงจะอย่างนั้นมนอะอยากเราดูไหมลองได้ด้วยเหรออืมก็ลองไปดูก่อนว่าจะชอบหรือเปล่าเธอน่ะดีกว่าพี่นะเพราะเธอพักอยู่ในมหาวิทยาลัยเดินเลาะมาทางโ น, น้นเราเดินข้ามถนนใหญ่มาฝั่งนี้ก็ถึงแล้วล่ะ เย็นนี้เขาไปรึเปล่าอยาตามไปดูหรือไงค่ะก็ได้พี่เข้าเพื่อเธอก็ได้เพื่อเธออย่าจออกกาลังกายฟิตเนสนั่นค่ะอ่ะกินต่อสิมันต้องรัวๆหรอกนะร่างกายเธอยังเผาผลาญดีอยู่เดี๋ยวสั่งเพิ่มอีกชิ้นนะโอ๊ยพอแล้วล่ะค่ะชิ้นเดียวก็จะไม่ไหวแล้วอะไรไปรีบอิ่มนะกะฮะก็กินได้แค่นี้ละค่ะพี่ยิ่งงั้นดื่มชาก็แล้วกันนะพี่กอ ก, กินต่ออีกหน่อยท่าทางพี่อร่อยมากเลยนะเนี่ย เขามาแน่อยู่แล้วแต่พี่ไม่เคยได้เข้ามาบ่อยนักแลวนะนา น, น, า น, นานทีนานทีน่ะนานแค่ไหนคะก็แค่อธิรักครั้งสองครั้งน่ะมีหน้าล่ะถึงมีอ้วนเพราะไม่ได้กินทุกวันนี่เองลหล่อล อ, ยอย่างนี้ระวังจะโดนสาวตามตื้อเอานะเหรอ